ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับรุณในทุ ว, วันพุทธเป็นช่วงของใต้่มปฏิบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักกรโรหนึ่งตะูฟังโดยการเจริญอานาปานาสติเราจะใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือทำให้จิตของเรานั้นสงบประงับเย็นลง ไม่ต้องคิดถึงสิ่งใดไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอดีตอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจโดยไม่เปลือไม่เปลเปินในปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สตินั้นเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาจิตมาจดจ่อ เพราะเวลาที่เราตรึกตรึกคิดนึกไปในทางไหนจิตของเรานั้นจะน้อมคล้อยเคลื่อนไปตามทางนั้นเวลาเราคิดถึงลงมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงไหนอย่างไงถึงเรียกว่าการคิดถึงลงมหายใจเข้าตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสได้นั่นเองไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก รับรู้อยู่ได้นะที่บริเวณโพรงจมูกบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นอาหารบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่มีความละเอียดอ่อนอยู่มากเราตั้งจิตจดจอ่อสอดส่องดูแลสังเกตดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลม ไม่ต้องบังคับความคิดอย่าตามความคิดอื่นๆต่างๆไปสังเกตอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวการที่เราสังเกตโดยไม่ตามสิ่งอื่นไปรับรู้เสียงก็ตามรับรู้ความคิดที่มีอยู่ในช่องทางใจก็ตามแต่ไม่ตามไปการจะไม่ตามนั่นคือไม่เปลอไม่เปลินไปได้ก็ต้องมีที่ให้จิตนันตั้งไว้ มีที่ให้จิตระลึกถึงติที่จะให้จิตตั้งไว้ระลึกถึงได้นั้นในที่นี้เราใช้ลมหายใจเราจึงเรียกวิธีนี้ว่าอาณาปานสติเพราะเอาลมหายใจคืออาณาปานะเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงการระลึกถึงการระลึกได้นั้นคือสติจึงเรียกว่าเป็นอาณาปานสติใช้ลมเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึง เวลามีสติเกิดขึ้นแล้วความเพลินความเพลอความลืมหลงนั้นจะอ่อนกำลังลงความที่จิตของเราจะเพลอเพลิ น, ลนไปตามเสียงบ้างตามความคิดบ้างนั้นจะลดลงเหลือแต่อะไรคือลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆมันก็จะเหลือแต่การรับรู้เฉยๆนั่นคือวิญญาณวิญญาณนี่แหละทฝั่งมันเป็นตัวสำคัญตัวดีเลยเฉยๆวิญญาณนี่ วิญญาณเป็นตัวเชื่อมระหว่างสิ่งที่อยู่ภายในคือทางใจคือทางนามกับสิ่งที่อยู่ภายนอกคือทางกายคือทางรูปวิญญาณเป็นตัวเชื่อมถ้าเราจับเจ้าวิญญาณโดยการแยกมันออกมาจากความเปลือยเปลนของสิ่งต่างๆจะเป็นจุดที่เราเริ่มความเป็นอิสระเริ่มที่จะ หลุดออกจากวัตฏะวนเริ่มที่จะหลีกออกจากกระแสตัดกระแสขวางกระแสทวนกระแสไปสู่ทางที่จะเป็นนิพพานเป็นที่ดับเย็นเป็นความสุขเป็นความสบายได้ให้เรารักษาจิตที่มีสตินี้เอาไว้ให้ดีเา่าละ ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบเป็นมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อมวดธรรมะที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทหมายถึงการที่ธรรมะเหล่านี้อาศัยเหตุปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ตัวมันเอง แต่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขปัจจัยคือมีเหตุมีผลถ้าจะให้ผลเกิดก็ต้องอาศัยเหตุถ้ามีเหตุแล้วผลมันก็ต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้ผลมันดับก็ต้องทำให้เหตุนั้นมันดับไปแล้วถ้าเหตุมันดับไปผลยังไงมันก็ต้องดับไปข้อความที่ข้าพเจ้ า, ากล่าวเมื่อเชครุนี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 ทุกวันพุด ท, ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นตอนที่สแล้วทุกผู้ฟังซึ่งข้าพเจ้าอยู่ในช่วงที่กำลังไล่เรียงมาว่าสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างมันก็แยกเป็นหลายๆคู่เรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะทุกผูังนะ หลักการนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ว่าถ้าใครเป็นผู้ฉลาดจะฉลาดน้อยหรือฉลาดมากก็าตามก็จะช่วยทำให้ศาสนานั้นตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานจะทำให้ตัวเราเองนั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงหลักการดังคำสอนได้อย่างถูกต้องศาสนาพูดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของเรื่องรางของขลัง ชาตินี้ชาติหน้าเรื่องอิธิปาฏิหาริย์หรือเป็นความเชื่องม ง, งายไม่ใช่เลยแต่แกนแท้ของคำสอ น, นมันอยู่ตรงนี้พรุงปฏิจจสมุปบาทใช่แกนแท้ของคำสอนคืออริยสัจสีปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจสีที่มันละเอียดลงไปอธิบายสั้นๆในกระทุกสมุทัยนิโรธมักยาวขึ้นมาอีกคุณต้องอธิบาย12ออาการในปฏิจจสมุปบาท ทั้งเกิดและดับนี่จึงเรียกว่าเป็นอริยสัจสีอยู่ในตัวนี้เป็นทั้งอริยสัจสีด้วยเป็นทั้งเรื่องของขันห้าด้วยเป็นทั้งไตรลักษณ์ด้วยเป็นทั้งเห็นเรื่องเกิดดับอยู่ในปฏิจจสมุปบาทในหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านไตรตรองใครครวน่นด้วยปัญญา อันลึกซึ้งรัดกุมให้มีความราบคอบด้วยความคิดไอเดียหลักการนี้ทำมาฝังว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะกี่ปีกี่ชาติไม่ว่าจะเป็นกับผู้ชายหรือผู้หญิงคนแก่เด็กมนุษย์เทวดาจะเป็นสมัยนี้สมัยหน้าหรือสมัยไหนก็ตาม คือมันต้องเป็นอย่างนี้คือเป็นตถตาตาไอก้กฎเกณฑ์เรื่องที่ว่าเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยถ้าจะหาเหตุอื่นที่มันเ ป, นปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเนี่ยมันยังไม่ใช่ตาตาละแต่จะมีเหตุอื่นที่มันเ ป, นปลี่ยนแปลงไปตามสัานะของบุคคลมันก็ไม่ใช่ตาตาตาละเราพูดถึงตัวอย่างก็ได้ว่าเอ๊ะทาไมเราถึงมามีความรู้สึกสุขได้ทุกได้อ่ะ อ๋อถ้าคุณมีความสุขได้ทุกได้ก็เพราะว่ามันต้องมีภัสสะอ๋ อ, อแล้วถามว่าคนมั่งคั่งร่ำรวยคุณมีสุขเวทนาคุณไม่ได้เกิดจากภัสสะเหรอใช่ก็ต้งเกิดจากภัสสะใช่ไหละ่ะหรือคนยากจนเห็นใจไร้ทรัพย์สมบัติคุณมีทุกขเวทนาคุณไม่ได้เกิดจากภัสสะเหรออาอก็เกิดจากภัสสะเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะ เป็นคนประเภทไหนพระมีพรรษะก็จึงมีเวทนาเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นคือต ะ, ะตาตามันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นคืออวิตาตาตามันไม่เป็นไปโดยประการอื่นคืออนัญญาตาตามันเป็นลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลอาศัยกันจึงเกิดขึ้นคืออิทัปปัจเจตาลักษณะ คุณสมบัติตัวนี้แหะคุฟังตีเราต้องคิดเวลาไตรตรองไกรครวนจริงๆแล้วถ้าเราจะใช้หลักการนี้นะในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเรื่อนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ตั้งแต่ในเอพิส od ที่1แล้วซีรีส์เอพิส od แรกของปฏิจจสมุปบาทใช้หลักการนี้ได้ทีนี้ปัญญาของคุนเรามันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมล่ะ ทั้งในเฉพาะเรื่องทั้งในความกว้างขวางในความลึกล้ำแน่นอนว่าตูฟังก็มีความเก่งมีความฉลาดในสายงานของตนของตนคนเป็นหมอก็เชี่ยวชาญในเรื่องสายงานของการแพทย์การรักษาคนเป็นนักกฎหมายก็เชี่ยว ช, ชาญในเรื่องของตัวบทเ ร, รื่องของการพิจารณาความเรื่องของการตีความคนเป็นช่งางก็เชี่ยวชาญในเรื่องของ การซ่อมแซมการทำงานเครื่องยนต์กลไกไปก็จะมีความเชี่ยวชาญไปในเฉพาะจุดเฉพาะจุดของตนประโยชน์ก็เป็นของสายงานของตนคนตนนั้นๆออย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีปัญญาทุกคนมีปัญญาในส่วนของตนคนตนนั้นแหละนักเรียนก็มีปัญญาในการเรียนในการสอนเรื่องของตนในส่วนนั้นวิชานั้นสนับกีฬา แม่ค้าขายของในตลาดหรือแม้แต่แม่บ้านนะแต่แม่บ้านไม่มีความฉลาดความเชี่ยวชาญในการทำงานบ้านมันก็ทำไม่ได้นะทุกคนก็จะมีปัญญาของตนของตนในงานเฉพาะอย่างที่ตนทำนั้นๆหรือถ้าตกงานว่างงานไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยมันก็มีความเชี่ยวชาญบางประการที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตหเห็นหรือคนอื่อาจจะมองไม่เข้าใจแต่มีแน่ อันนี้พูดเพื่ออะไรเพราะว่าปัญญาของพระพุทธเจาเนี่ยคือท่านกว้างไปนในทุกๆด้านกว้างนี่คือให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวา ง, วางเวลาท่านพิจารณาเนี่ยทัานไตรตรองใกล้ควรจึงเอาเรื่องที่มันจะเกิดประโยชน์มากที่สุดนันคือการแก้ปัญหาเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้จะแก้ปัญหาเฉพาะอย่าง เรื่องสายงานของการแพทย์กฎหมายงานช่างหรืออะไรเหล่านั้นนั่นก็แก้ปัญหาได้แบบเฉพาะหน้านะเฉพาะอย่างนะแต่จุดที่พระพุทธเจ้าแก้ปัญหาเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันกว้างขวางได้ประโยชน์มากประโยชน์อย่างถึงที่สุดประโยชน์กับทุกคนนิฉันจึงคิดไตรตรองไตรกุล ด, ด้วยปัญญาข้อนี้ใช้หลักการนี้ จึงได้ความสัมพันธ์ที่มันอาศัยกันและกันนี้อยู่หลายๆคู่ขึ้นมาไม่ได้มีอย่างเดียวเห็นไหมต่านฟังว่าความลึกซึ้งของปัญญาพระพุทธเจ้านี่มากนะถ้บาบอกว่าท่านไม่ได้บอกต่อกันมาเนี่ยเราคิดเองบางทีไม่ราบคอบรัดกลุ่มเท่านี้ไม่ได้ชัดเจนละเอียดละอ่อได้ประโยชน์ มากป่านนี้แล้วในคำสอนทั้งหมดเลยเนี่ยว่าเป็นเรื่องปฏิจจสมุปา ท, ทั้งหมดเลยเอางนี้แล้วกันมีส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้คือตาตาตาถ้าจะเป็นอย่างอื่นแล้วบอกว่าอันนี้มันใช่ไอ้นั้นมันไม่ใช่หนึ่งคืออาวิตาตต า, ตาถ้าจะบอกว่าไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้มันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกในเวลานั้นเฮ้ยไม่ใช่ มันจะไม่เป็นไปโดยความประการอื่นคืออนัญญาตตาเพราะอะไรนะเพราะามันก็อาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้แหละมันจึงเป็นอิทปัปัจยตานี่คือลักษณะที่เรียกว่าเป็นธรรมนิยามาตาคือเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือธรรมทิตาคือมันเป็นนิยามมาแล้วเลยเลยจะบอกว่าสิ่งนี้เท่านั้นที่อย่างใช่ไหม ท่านก็จะลีกเลี่ยงการใช้บทปยัญชนะนั้นเพราะว่าไอ้เรื่องความเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยมันเป็นลักษณะทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านจึงใช้หลักการของความไม่เที่ยงมาประกบคู่กันเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ถ้าจะบอกว่าธรรมะของท่านเที่ยงแท้แน่นอนน no, าะทำไมพูดอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อนก็จะขัดกับหลักการของตัวเองทุบะละแต่ท่านก็จะใช้คำอื่น เพื่อเกิดความเข้าใจว่าไอ้ที่ว่าเหมือนเที่ยงแท้แนะนํามันเป็นอย่างนี้นี่นะจริงจรมันก็อาศัยเหตุปัจจัยเงื่อนไขนั่นแหละมันจึงเป็นถ้าเหตุมีเหตุเกิดผลก็ต้องมีถ้าเหตุไม่มีเหตุดับผลก็ต้องดับผลก็ต้องไม่มีแต่จริงใจเขาว่าธรรมะติดตาคือเป็นการตั้งอยู่อย่างธรรมดาเป็นกฎตายตัวอย่างธรรมดาคือธรรมะนิยามตาเป็นนิยามเลยนิยามนี้แก่ไม่ได้ คือมันเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ไม่ได้นี่ท่าูฟังฟังให้ดีนะเราไม่ได้บอกว่าธรรมะนี่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนตลอดกาลไม่สูญหายไม่เปลี่ยนแปลงนี่อย่าใช้คำพูดนี้เพราะว่ามันจะสับสนแย้งตัวเองได้ถูกคนอื่นตีเตียนได้ว่าเรากำหนดบทเพียรชนะคลาดเคลื่อนจากที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าจะมีความรัดกุม ในการกำหนดคำพูดท่านใช้คำพูดธรรมนิยามท่านใช้คำพูดว่าธรรมติตาท่านใช้คำพูดว่าเป็นอิทธาปจยตาสิ่งเหล่านี้เป็นตถาตาเป็นอวิตตะาตาเป็นอนัญญาตาสิ่งเหล่านี้นั้นเราก็ไล่ไปท้องฟังที่ท่านคิดก่อนคือเรื่องของความอาย บอคนมันต้องตายเพะอะไรก็จกึงคิดได้ว่าเกิดกัปปเจ้าก็ไล่เรื่องเรื่องนี้ทีละคู่ทีละคู่เป็นมาสองเอพิโซดแล้วโดยพูดถึงความแก่ความตายมันคือความทุกข์คนเราทุกข์มากสุดๆตรงนั้นไหลามาก็จึงเจอความเกิดแล้วเจ้าความเกิดล่ะมันมีเงื่อนไขปัจจัยไหมเพื่พิจารณาแล้วมันก็มีว่ามันคือภพเกิดก็คู่กับภพบ พบแหละมันมีเงื่อนไขปัจจัยไหมเออมีเหมือนกันพบมันก็คู่กับอุปาทานลักษณะเงื่อนไขปัจจัยของมันก็ต้องเป็นไปตามหลักการที่ว่ามาคือเป็นธรรมติดตาเป็นตาตาตาเป็นต้นอา้าวแล้วเจ้าพบนี่มาจากอะไรของอุปาทานได้มาอีกคู่ละอุปาทานมันมีเงื่อนไขปัจจัยไหมเออมันก็มีนั่นคือตัณหาตัณหาแล้วมันมีเงื่อนไขปัจจัยไหม เออมันก็มีนั่นคือเวทนาเวทนาล่ะมันมีเงื่อนไขปัจจัยไหมเออมันก็มีนั่นคือปัสสะปัสสะล่ะมันก็มีนั่นคือสายตนะสารยตนะมันก็มีนั่นคือนามรูปตอนนี้เรามาอธิบายถึงระหว่างไอ้เจ้านามรูปที่เป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นจับต้องได้คู่กันกับสิ่งที่เป็นนามธรรมคือจับต้องไม่ได้ เจ้านามรูปนั้นมีอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยมันมีได้อย่างไรในเอพิส od ที่เราข้าพเจ้าได้อธิบายถึงจุดนี้ก็เลยอยากจะมาทำความเข้าใจต่อคุณผู้ฟังลองจินตนาการนะจินตนาการไปกับข้าพเจ้าจินตนาการถึงความที่ว่าเราไปอยู่ในห้วงอวกาศห้วงอวกาศที่มันมืดมิดเลยอยู่ใน deep space เลย เป็นอวกาศชั้นลึกเลยที่เรานั้นก็มีแต่ตายายไม่ได้มาด้วยเอาไม่ใช่ตานี่คือหมายถึงสิ่งที่เราเห็นภาพได้เดี๋ยวไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีตัวไม่ต้องใช้อากาศหายใจมีดวงตาดวงคือจินตนาการว่ามีสัตว์ประเภทหนึ่งแล้วกันนะมีสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่มีแต่ตารับแสงได้อาศัยอยู่ในอากาศที่ชนิดตัว deep space คือลึกมากเลยจินตน า, าการว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทนั้นอ่ะจินตน า, าการว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน d e Deep Space มืดหมดทุกอย่างเลยไม่มีแขนไม่มีขามีแต่ตาอย่างเดียวแล้วถ้าบอกว่ามันมีแสงที่ผ่านหน้าเราไปคือแน่นอ น, น, นถ้าฝังว่าแสงนี่แต่มันไม่ได้ตกกระทบทีดวงตาเราก็จะไม่เห็นแสงนั้นใช่ปะแต่แล้แสงมันส่องไปข้างๆเฉดไปเฉดมา สิ่งมีชีวิตนิดเนี่ยเขาจะรับรู้ถึงความมีแสงผ่านหน้าห่างไปแค่เซนติเมตรเดียวเนี้ยเป็นแสงเลเซอร์พุ่งมาเขาจะไม่เห็นนะเพราะมันไม่ได้ตกกระทบที่ดวงตาของสิ่งมีชีวิตตัวนี้หรือในขณะเดียวกันถ้าด้านหน้าของสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันมีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งคือมีขามันนะ ขามันหลุดไปตอนไหนไม่รู้หามันลอยอยู่ในอวกาศมันมีอยู่ข้างหน้ามันห่างกันแค่เซนเดียวเนี่ยแต่มันมืดหมดเลยมันก็จะมองไม่เห็นไอ้เจ้าขาของมันที่ลอยอยู่ข้างนอกด้วยซ้าเพราะมันไม่มีแสงไงไม่มีแสงเออถ้ามีใครฉายไฟฉายขึ้นออกขึ้นมาปึ๊บแสงจากไฟฉายกระทบลงที่วัตถุชิ้นนั้นมันก็จะสตท้อนเข้าตา เข้าตาแล้วก็จะเห็นว่ า, ามีขามีวัตถุลอยอยู่ตรงนั้นนี่นะวัตถุนั้นจะปรากฏมีขึ้นต่อเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ก็ต้องอาศัยแสงให้เห็นได้ตอนแรกก็คิดว่าไม่มีแต่มันมีขึ้นก็เแปลว่ามันมีแสงหรือแสงเองก็ตามที่มันผ่านมาผ่านไปเนี่ยสมมุติมันมีแสงสว่างส่องอยู่ สงจากด้านหลังไปด้านหน้าซึ่งตามเองไม่เห็นใช่ไหมล่ะแสงนี้ส่องจากด้านหลังไปด้านหน้าถ้ า, ไ, า, นนาไม่มีวัตถุอะไรอยู่ข้างหน้าเลยมันก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยเพรามันมืดหมดมันไม่มีวัตถุอะไรมาตรงกระตุกแต่พอเอาวัตถุอะไรมาอยู่ข้างหน้าปุ๊บอา้าวเราจะเห็นดันดีเพราะว่าแสงนั้นจากระตบที่วัตถุนั้นสะท้อนเข้าตาของเราก็จะเห็นว่าอา๋อมันมีวัตถุไอ้ตอนแรกที่มีแสงนี่ไม่รู้เรื่องเลย ดังนั้นหมายความอะไรหมายความว่าแสงและวัตถุนั้นอาศัยกันจึงเกิดขึ้นให้เห็นได้แต่ถ้ามีอันเดียวนะมันจะไม่เห็นได้มันจะไม่เห็นแสงแต่มีแต่แสงไม่มีวัตถุมันจะไม่เห็นวัตถุถ้ามีแต่วัตถุไม่มีแสงแสงและวัตถุนั้นจึงเป็นสิ่งที่อาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้ เป็นประสาเรบุตรเปรียบเทียบไว้กับการที่ใช้ไม้อ้อสองกรรมพิงกันเอาไม้อ้อมามัดๆเป็นกำๆประมาณสักหนึ่งคืบสองคืบโอบรอบตั้ไว้สองกำเอาไม้อ้อสองกำนี้มาใส่ๆกันพิงกันตั้งไว้ให้เป็นสามเหลี่ยมขึ้นมามันก็อยู่ได้แต่ถ้าเอาไม้อ้อกำหนึ่งออก อีกรำหนึ่งก็ล่มไปด้วยแต่ถ้าเอาไม้อ้อคมที่อยู่ด้านขวาออกอ้กรำด้านซ้ายมันก็ล่มไปด้วยเฮ้ยเอาใหม่ดิถ้างั้นเอากรมที่อยู่ด้านซ้ายออกอ๋อจะให้คำด้านขวามันอยู่ได้ไงอ้กรำด้านขวามันก็ต้องลมไปด้วยไม้อ้อรมด้านซ้ายและไม้อ้อรมด้านขวาต่างอาศัยกันจึงตั้งอยู่ได้มีอันใดอันหนึ่งหายไป จะให้อีกอันหนึ่งอยู่นั้นไม่ได้หลักการนี้นะทุกวางนะอยู่ในตัวเราตอนนี้เลยนะคือมันเป็นเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์นะเป็นเรื่องของควอนตัมมายนะออะไรนะท่านเรื่องนี้มันไปเกี่ยวควอนตัมยังไงเนี่ยเกี่ยวสิ่เกี่ยวเต็มๆเลยควอนตัมนี่คืออะไรทุกฟังไอ้ข้าพเจ้าสอนฟิสิกส์ท่านฟังเอาสั้นๆไม่มากฟิสิกส์หนึ่งนาที อุ้ยแต่ ว, ว่าฉันไม่มีความรู้ดังน้นวิทยาศาสตร์เลยฉันเรียนมาสายสินจะไปเข้าใจได้ไงนี่มันไม่ได้ยากอะไรมากนะเป็นเป็นหลักการที่มันมีอยู่ในตัวเราเฉยๆนี่ไม่ได้ว่าจะแบบว่าให้อยู่เรียนปริญญาเอกทรือ ต, ตั้งความต้องความตั้มอะไรนะมันเป็นหลักการง่ายๆที่เขาตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเพื่อให้เรียกเข้าใจตรงกันเฉยๆถึงจะอธิบายไงว่าคำ ว, ว่าความตั้มเนี่ยมันมายัางไง เพราะว่าเราศึกษาเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโด่เฉพาะยิ่งในช่วงใต้ร่มพริิบทเนี่ยนะอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตใจมันสบายทุกฝังอยู่ใต้ร่มเงาปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความเข้าใจของเรามันกว้างขวางออกไปทุกฝังร่มเงานี้ปัญญานี้ให้ความกว้างออกเราจะเห็นแง่มุมอะไรต่างๆเยอะแยะ พระพเจ้าจึงยกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เกิดความเข้าใจไงให้เราเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไปควัญตั้มนั้นหมายถึงปรากฏการอย่างหนึ่งที่สิ่งสิ่งเดียวมันเป็นได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับผู้สังเกตอันนี้ยหลักการก่อนนะต้องบอกนะแล้วด้วยหลักการนี้มันมาเหมือนกับทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของนามรูปและวิญญาณอย่างไรมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไร ให้ฟังใกล้กลวนจดจอจิตของตนอไว้พิจนารณาตามมาความต่ำนี้หมายถึงลักษณะปรากฏการ์อย่างหนึ่งที่สิ่งสิ่งเดียวเนี่ยเป็นได้หลายอย่างโดยอาศัยการสังเกตว่าอยู่ที่ว่าเราจะสังเกตมันแบบไหนและวิทยาศาสตร์ที่เขาคนพบเนี่ยเขาบว่าแสงเนี่ยนะแสงเนี่ยเป็นทั้งลื่น ก็ได้เป็นทั้งอนุภาคก็ได้แสงถ้าเราสังเกตด้วยความที่มันมีคุณสมบัติของความเป็นอนุภาคเฮ้ยมันก็เป็นอนุภาคขึ้นมาเขียนสมการได้ถ้าเราสังเกตถึงความที่มันเป็นคลื่นให้มันก็เป็นลักษณะของคลื่นเหมือนกันนะมีคุณสมบัติแบบนี้มันก็เขียนสมการออกมาได้พูดหลักการง่ายๆก็คือว่าสิ่งสิ่งเดียวเนี่ยมันเป็นได้หลายสภาวะในลักษณะที่ว่าอยู่ที่ เราสังเกตมันยังไงด้วยคอนเซปต์เนี้ยเขาคน้คนพบว่ามันมีอยู่มากมายเลยแม้แต่อิเล็กตรอนที่อยู่ในตัวอะตอมเองในอะตอมอะตอมหนึ่งเนี่ยตัวววางมันเป็นช่องว่างซะส่วนใหญ่เขาใช้เครื่องขยายชนิดอิเล็กตรอนเข้าไปดูเนี่ยนะเห็นอิเตอนมันวิ่งอยู่ว่ามันว่างๆอยู่มันวิ่งอยู่เนี่ยไอที่วิ่งวิ่งอยู่เนี่ยคือเราจะไปสังเกตว่าตรงไหนมันมีอิเล็กตรอนตรงนั้นมันก็มีอิเล็กตรอนเลย เราจะสังเกตดูว่าตรงไหนมันไม่มีอิเล็กตรอนตรงนั้นมันก็ไม่มีอิเล็กตรอนขึ้นมาเลยเอแล้วมันไม่มีหรือมันมีกันแน่เออมันได้ทั้งสองอย่างเลยเนี่ยเอาทำไมมันถึงได้ทั้งสองอย่างวะงงมากๆเลยเอางี้แล้วกันเรียกชื่อมันกนว่ามันเป็นขวานตั้มอย่างเงี้ยว่ามันเป็นได้ทั้งหลายหลายอย่างในขณะเดียวกันอยู่ที่ว่าเราสังเกตยังไงไม่ได้ยากดูบังตัวท่านผูฟังเอง ก็เป็นขวานต่ำเหมือนกันไม่ต้องเอาเรื่องอื่นเลยนะเอาเรื่องในระบบสังคมเราอย่างนี้ก็ตามอคุณมีลูกปะ่ะเราจะมีลูกก็ได้เป็นผู้หญิงเราก็เรียกว่าแม่ใช่ไหมละ่ะแต่เป็นผู้ชายเราก็เรียกว่าพ่อเอ้าแล้วคนที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่เนี่ยคุณทํางานในบริษัทอะคุณก็เป็นพนัก ง, งานบริษัทอ่าแล้วคุณเป็นพนักงานบริษัทหรือคุณเป็นพ่อหรือเป็นแม่กันแน่เอาท่านมันก็อยู่ที่ว่าเราสังเกตยังไงไงโอเคเอาไหม่ แล้วที่ว่าคุณเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยคุณได้เคยสมาทานศรีนาไหมก็ได้เคยสมาทานศรีนาอยู่คุณสมาทานศรีนาคุณก็เป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นอุบาสกอุบาสิกานี่เอาใช่ก็ถ้าพระมองคุณพระก็มองเห rat, top, astre, ็นว่าอันนี้คุณเป็นอุบาสกถ้าเป็นผู้ชายถ้าลูกมองคุณก็เห็นว่าเออนี่เป็นพ่อเจ้านายมองคุณเห็นว่าอันนี้พนักงานบริษัทเขาแล้สรุปว่าคุณเป็นพนักงานบริษัทหรือคุณเป็นพ่อหรือคุณเป็นอุบาสกกันแน่ไหยว่ามานี เอาท่านมันก็อยู่ที่ผู้สังเกตนะเขาสังเกตยังไงถ้าพระมองก็เห็นว่าเป็นอุบาสกอย่างดีว่าถ้าลูกมองเห็นว่าฉันเป็นพอ่อลูกคุณเป็นพอ่นพอหรืคุณเป็นอุบาสกกันแน่นี่มันจะงงไปถึงไหนมันไม่งงหรอกท่านผังทําไมมันจะเข้าใจไม่ได้มันก็อยู่ที่ผู้สังเกตเท่าแหละผู้สังเกตมองจากมุมไหนมันก็เป็นอันนั้นขึ้นมาแบบเลยเกานี่แหละความดำฟิสิกส์จะบอกว่าฟิสิกส์ใชไม่ใช่นี่คือความดำหมายนี่แหละเพราะ มีวิญญาณเป็นเงื่อนไขเป็นตัวสังเกตจึงเห็นว่ามีนามมีรูปอย่างนี้เพราะวิญญาณคือผู้สังเกตสังเกตไปจุดนี้มันก็จึงมีถ้าวิญญาณคือผู้สังเกตไม่ได้ไปสังเกตไม่ได้ดูไม่ได้รู้ไอนามรูปมอนก็ไม่มีมันก็หายไปดับไปเป็นควันดำไม้คือสภาวะที่จิตควันดำ คือสภาพว่าที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้มีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ได้พร้อมกันในขณะที่คุณสังเกตนั่นแหละมีอยู่ตอนที่สังเกตไม่ใช่ไม่มีและตอนที่ไม่สังเกตมีหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมีก็ได้ก็แผ่นไม้ที่มันลอยอยู่กลางอวกาศมีชิ้นวัตถุอยู่แต่ไม่เห็นเพราะไม่มีแสงมันอาจจะมีมันจะไม่มีก็ได้บอกไม่ได้เพราะไม่ได้มีแสงมาสังเกตดูแต่พอแสงมาตกกระทบดูอเออมันมีขึ้นมาหรือแสงเองก็เหมือนกัน มีอยู่หรือไม่มีไม่รู้เพราะไม่ได้สังเกตดูแต่พอมีวัตถุมากกระทบอ่ะมันเห็นขึ้นมามันก็จึงมีขึ้นมาตอนไม่สังเกตดูไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่รู้แต่พอสังเกตดูปุ๊บมันมีขึ้นมาตอนไม่สังเกตดูหายไปหายไปเกิดขึ้นเกิดขึ้นหายไปตามการสังเกตนามรูปเนี่ยระพุทธจาถึงคิดหมาย คิดไตรตรองใกลกรวดว่าเอ๊ะเพราะมันมีอะไรนะาอะไรมีน้ำรูปจึงมีอะไรดับน้ำรูปจึงดับน้ำรูปนี่คือจึงเป็นสายแห่งสารยตนะพันสเวตนาตันาอุปาทานพบการเกิดความแก่ความตายกองรวมเป็นหลักการอยู่ในเรื่องของน้ำรูปนี้ทั้งหมดเลยผู้สังเกตนั่นคือวิญญาณวิญญาณเหมายถึงการ รู้แจ้งสังเกตดูเห็นได้รับรู้ได้น้ำรูปเราเขก็ใช้แล้วก็พระเจ้าได้อธิบายตั้งแต่เอพิส od ก่อนว่ามันเป็นเรื่องของสัญยตนะสะัญญาณะนี่ท่านแบ่งซ้ายแบ่งขวาโดยพูดถึงสัญญตนะคืออิจตนะภายในและภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่นคือภายในรูปเสียงกลิ่นรสปอดและวัตถุมรุนนี่นคือภายนอกแต่ถ้าแบ่ง เอานอกกับในรวมกันส่วนที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซจับต้องได้หนึ่งก็เรียกว่าเป็นรูปถ้าเอาส่วนที่เป็นในและนอกรวมกันในส่วนที่เป็นนามจับต้องไม่ได้เป็นนามธรรมก็เรียกว่านามหรือว่าใจนามรูปจึงแบงนี้เพราะฉะนั้นมันจึงจะรวมหมดกันมาตั้งแต่ทุกจนถึงชลยตนะรวมอยู่ในนามรูปนี้ นามรูปทั้งหมดนี้มีได้อย่างไรวิญญาณเนี่ยดูฝังแล้ววิญญาณนี่มันคืออะไรวิญญาณดูังไม่ใช่ว่าเป็นผีแบบว่าบื้บื อ, อไม่มีขาลอยไปเป็นดวงดวงแล้วก็มาหลอกคนในี่ตกใจกลัวอย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่วิญญาณในความหมายที่พระพุทธเจ้ากาลังพูดถึงบอกสอนใมนี้แต่วิญญาณ มาจากภาษาบาลีที่เรียกว่าวิญญาณนะหมายถึงการรู้แจง้งคือการรับรู้รับรู้เสียงบานดังหูได้นันคือโสตวิญญาณเกิดขึ้นรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกได้มันคือคานะวิญญาณเกิดขึ้นให้วิญญาณนี่มันก็ไม่ใช่ว่า ม, มาจากตรงภาษาล้ท่านใช่ไงระ ว, วังมีเสียง มากระทบหูสองอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณหมายถึงอะไรนะหมายถึงการรู้แจ้งวิญญาณเนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นน้ําอาศัยอะไรนะอาศัยรูปไงคือเสียงกับหูใช่ไหมล่ะเสียงกับหูโดนกันแล้วมันจะเกิดโสตวิญญาณโสตวิญญาณเป็นน้ําเสียงกับหูเป็นรูป โ อ, โอ้นามรูปมันอาศัยกันอย่างนี้วิญญาณ เ, เร konuş, รนี่ยท้านผัง monk, มันจึงเป็นตัวเชื่อมระหว่งางรูปและนามวิญญาณเนี่ยท่านผังมันจึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายและใจเป็นตัวเชื่อมระหว่างนามและรูปใจและกายเชื่อมด้วยวิญญาณมันจะเข้าสู่ใจเข้าตรงไหนเข้าตรงวิญญาณ วิญญาณจึงเป็นตัวเชื่อมสิ่งต่างๆที่เป็นต่างกายเข้าสู่ทางใจนามรูปใจกายกายใจรูปนามจึงเชื่อมเข้าหากันด้วยวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณนามไม่มีรูปไม่มีถ้าไม่มีวิญญาณใจไม่มีกายไม่มีถ้าไม่มีวิญญาณกายไม่มีมมญญมมใจไม่มี แต่ไม่มีวิญญาณรูปก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีน้ำรูปแต่ไม่มีวิญญาณเป็นตัวเชื่อมนะฮะมีเสียงมีหูแล้วไงเหมือนคนตายใหม่ๆอ่ะเหมือนคนตายใหม่ๆกระดูกทั้งค้อนโกลนยังไม่ได้พังไปยังมีอยู่แล้วมีเสียงหมเราพูดนี่เอาเราพูดเราก็มีเสียงแต่คนตายจะไหมไม่รู้สึกไม่อะไรคือมันไม่ได้ตอบสนองอะไรได้ คนมันผักไงมันไม่มีวิญญาณไงพอไม่มีวิญญาณนั้นมันจะมีค่าอะไรเสียงนั้นหรือหูนั้นสําหรับคนนั้นมันมันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วมันดับไปละน้ําร่มนั้นจึงไม่มีไม่มีในการรับรู้คือวิญญาณของเขาเพราะวิญญาณเขาไม่มีถูกไหมเออไม่เซนนะสนมัสมบูรณ์อยู่นะมัอนกันอยู่คนสังเกตไง คนสังเกตไม่มีคือวิญญาณไม่มีนามรูปไม่มีใจกายไม่มีมันมีมันก็พูดตือว่าไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้สังเกตเห็นอีกตัวอย่างหนึง่งอาสมมุติมีคนพูดใส่ไมโครโฟนพูดใส่ไมโครโฟนเนี่ยคือมีกายใช่ไหมคือเหมือนมีหูนะแล้วก็มีเสียงด้วยนะไมโครโฟนถือว่าเป็นหูปากพูดออกไปเป็นเสียงมากระทบนี่ แต่ถ้ามันไม่ได้เปิดเครื่องนะเสียงมันก็ไม่ออกมันก็ไม่ได้ยินไปที่อื่นมีเสียงมีเครื่องอยู่ก็จริงแต่ว่ามันทํางานไม่ได้เพราะมันไม่รู้ไม่ได้เปิดเครื่องเอาไว้แต่ถ้าเราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บเออขยายเสียงไปไกลๆได้คนอยู่ที่อื่นได้ยินได้โมเพราะว่าเครื่องมันทํางานให้ช่้าการทํางานของเครื่องเราประเด็บกับวิญญาณก็ได้มีวิญญาณและวอ๋อมีเสียงมีไมโครโฟน มันจึงได้ยินทั่วพอไม่มีวิญญาณคือไม่ได้เปิดเครื่องมีเสียงมีไมโครโฟนมันไม่ได้ยินไปทั่วมันทำงานไม่ได้ในทางตรงข้ามก็จริงเหมือนกันทั้ัฟังเอาคุณเปิดเครื่องดูเปิดเครื่องเขายายเสียงดูแต่ไม่มีคนพูดนะไม่มีคนพูดมันจะมีเสียงอะไรมันก็เงียบปิบมันก็ไม่ได้ยินคนหนึ่งก็ไม่ได้ยินอ๋อทำไมไม่เปิดเครื่องเขาเปิดอยู่แต่ไม่มีคนพูด พราะถ้านามรูปไม่มีวิญญาณก็ไม่มีไอ้คู่เนี้ยมันสําคัญตั้ังเพราะมันได้ทั้งเกิดและดับได้ทั้งสองทางเมือ่อสสกุ่เราบอกงี้ใช่ไหมบอกว่าเพราะอะไรมีเนาะนามรูปจึงมีโอ้ท่าบอกว่าวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเอเพราะอะไรดับไปเนาะนามรูปถึงดับไปใช่ปะเพราะวิญญาณดับไปเพราะวิญญาณดับไปนามรูปจึงดับไปใช่ปะเปิดสกุลเรากําลังพูดถึง นามรูปมีหรือเกิดหรือดับหรือไม่มีได้เพราะอาศัยวิญญาณไอ้เจ้าตัววิญญาณก็เหมือนกันลวังว่ามันจะมีหรือมันจะเกิดหรือมันจะหายไปหรือมันจะดับไปก็อยู่ที่นามรูปด้วยเอยพระอะไรมีน้อวิญญาณจึงมีพระอะไรไม่มีน้อวิญญาณจึงจะไม่มีป็งก็คิดคิดก็นามรูปนั่นแหละเพราะไม่มีนามรูปแล้วจึงไม่มีวิญญาณ เพราะมีนามรูปนั่นแหละจึงมีวิญญาณเอา้ามันยังไงนะทําไมคู่นี้มันถึงกลับไปกลับมาได้เอาเราลองพูดถึงมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะทุังนะมนุษย์งงนะนษยคนเรานี่เติมฟังได้ยินเสียงได้ไงมันต้องมีวิญญาณแต่ไม่งั้นเราไม่ได้ตายไปแล้วยังมีชีวอยู่ใช่ไหมมันต้องมีวิญญาณคือการรับรู้คือลักษณะของจิต ท, ที่มาทําหน้าที่ในการรับรู้การรับรู้นั้นเรียกว่าวิญญาณวิญญาณการรับรู้เนี่ย มันต้องมีเพราะอะไรทำไมถึงมันมีนะก็มันมีเสียงมากระทบหูนี่เราพูดตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเอาแล้วถ้าวิญญาณมันมาได้ไงเนี่ยก็ถ้ามันไม่อาศัยนามรูปนะมันมาเกิดไม่ได้นะวิญญาณนี่วิญญาณมันจะมารับรู้ได้มันต้องอาศัยนามรูปมันจะมาเกิดขึ้นได้มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างรูปและนามระหว่างกายและใจได้มันก็ต้องมีกายและใจให้มันมาทำหน้าที่ในการรับรู้ให้มันมาทำหน้าที่นตัวเชื่อมขึ้นมาถ้าไม่มีนามรูปวิญญาณก็ไม่มี แต่ตะกี้บอกว่าไงนะไม่มีวิญญาณนามรูปก็ไม่มีคราวนี้บอกว่าไม่มีนามรูปวิญญาณก็ไม่มีนี่ไงจำฟังเป็นเหมือนไม้อ้อสองกำมมาชนกันสังเกตตรงไหนก็มีตรงนั้นไม่สังเกตตรงไหนก็ไม่มีตรงนั้นสังเกตในทิศทางไหนมันก็เป็นทิศทางนั้นเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูป เป็นไปตามทิศทางที่เราสังเกต badly. เป็นไปตามจุดที่เราสนใจเราสนใจเรื่องของนามรูปวิญญาณนั่นแหละก็เป็นตัวเห็นเราสนใจเรื่องของวิญญาณก็ต้องอาศัยนามรูปนั่นแหละเป็นผู้ที่เข้าไปสังเกตแสงจึงต้องอาศัยวัตถุวัตถุจึงต้องอาศัยแสงนามรูปจึงต้องอาศัยวิญญาณวิญญาณจึงต้องอาศัยนามรูป เป็นคู่เดียวที่มีความสำคัญมากตรงบังที่ว่าเราแบบว่ามามีปัญหากันทุกวันนี้หรือมีความสุขอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะมีนามรูปความสุขเ่านั้นเป็นเรื่องของใจกายจะรับรู้ได้ต้องมีวิญญาณเป็นตัวเชื่อมใจกายนั้นจะมามีวิญญาณได้ก็ต้องอาศัยใจกายมาเป็นตัวที่จะให้เกิดขึ้นสังเกตดู มันจึงเริ่มที่จะเห็นจากมุมกว้างขึ้นมาละทั้งว่างว่าอะไรที่เราแบบว่าประสบสัมผันธ์เจอเจอนั้นเป็นเรื่องของรูปนามเป็นเรื่องของกายใจทั้งสิ้นโดยผู้สังเกิดนั้นคือวิญญาณนี่มันเริ่มหมด ล, มละจมาครค่าเพราะว่าพระุทธเจ้มากระหน่ำระโจเาเป็นบริษัทนี่พระอะไรมีนอจึงมีนามรูปอบอกว่าวิญญาณพระอะไรมีนอวิญญาณจึงมีเราบอกว่านามรูป อ้แล้วนามรูปมีพระวิญญาณวิญญาณมีพระนามรูปมันวนนี่นี่วนวนล้วมันไม่ไปไหนวนล้วมันไม่ไปไหนเพนึ้คิดต่อไปเอ๊ะมันวนอย่างนี้แล้วไงมันก็วนอย่างนี้แหละมันก็คิดไปคิดมาแต่ไหนตรองใคร่ควรวนไปวนมาเนี่ยเวลาเราหมกมุ่นเรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะ่ะทุกฝั่งนะมันก็จะคิดวนไปวนมาคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อเพราะเขาทําอย่างงั้น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำไมเหตุการณ์นี้เป็นอย่างนี้โอ้เพราะคนนั้นเป็นอย่างนั้นเราเป็นคนนี้เป็นอย่างนี้เออเพราะเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ทำไมเป็นอย่างนี้เออเพาคนนั้นมันๆนีมน่มันจะประสาทแหละคนเรานี่ถ้าคิดวนมากๆนะย้ำคิดย้ำทำนี่เป็นบ้าได้บางทีเราต้องหยุดคิดบ้างอ่าฉันก็ไปนั่งสมาธิมันชิวๆเย็นๆโอคิดมากแล้วก็จะปวดหัวอาเงินก็ไม่คิ ด, ไ ม, คดไม่คิดก็พักผ่อน เดี๋ยวมันคิดไม่ตกมันก็ามาคิดอีกเงี้ยนะคิดไปคิดมาได้มันอะไรนี่เพรงั้นมันก็ไปต่อไม่ได้ละนี่คือหลักการดูฝังว่าเวลาเราสังเกตเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะพอมันเริ่มวนนี่มันเริ่มหมุนตึงนี่เราต้องออกมาดูจากคนข้างนอกจากมุมของบุคคลที่สามเฮน้ำรูปวิญญาณมีญญาณน้นรูปทำไมมันแบบว่าปรุงแต่งหมุนวนกันแบี้ เออทั้งหมดนี่มันก็เป็นการปรุงแต่งนั่นแหละอ่ามันคือการปรุงแต่งนันคือสังการลักษณะทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะการปรุงแต่งการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการของตาหูจมูกเลี้ยงกายใจนั่นคือนามรูปภายในอิจตนะเป็นการปรุงแต่งที่สังเกตเห็นดูเจ้ารูปเสียงกลิ่นรสปทัตวธรรมารมนั่นคืออิจตนะภายนอก รูปน้ำอาศัยเชื่อมกันด้วยวิญญาณทั้งวิญญาณนารูปเหล่านี้มันคือการปรุงแต่งท่านจึงถึงบางออกขึ้นมาว่าอ๋อพระมีสังการเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเริ่มที่จะเบรก o รู h คือทะลุทะลวงกันมาเริ่มที่จะเห็นแง่มุมแล้วอ๋อมันเป็นการปรุงแต่งอ้าคิดต่อไปนะคิดต่อไปทั้งหมดนี้มันคือการปรุงแต่ง ใช่ไม่ว่าจะเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องความรู้สึกสุขทุกเรื่องภาษาเยตนะนามรูปวิญญาณการรับรู้เหล่านี้มันคือการปรุงแต่งคือสังขารคือการปรุงแต่งนั่นเองเป็นการปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางใจการปรุงแต่งทางกายก็คือเรื่องของรูป ก, การปรุงแต่งทางใจคือเรื่องของนามเป็นกายใจนามรูป าการเราจะแบง่งละเอียดไปกนหน่อยก็ได้กัเป็นเรื่องคําพูดก็ด้วยอยู่ในเรืององกายจะมีการปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งต่างวาจาและการปรุงแต่งทางใจคือกายสังขารวจีสังขารและมโนโสังขารทินี้ท่านมาบัญญัติภายหลงังในตมหวังให้ระเบียบถ้อยคํำนี่มีความรักกลุ่มชัดเจนมากขึ้นแต่กระบวนการการคิดตั้งแต่ตอนเป็นโพิสตัตวเนี่ย คือรูปนามกายใจการปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางใจแค่นี้นี่คือพูดสั้นๆเราจะเห็นบทเรียนชนะนี้แม้แต่ในอาณาปานสติสูตรด้วยสติปัฏฐานสูตรด้วยก็จะมีแค่การปรุงแต่งสองอย่างอธิบายให้มันละเอียดยืดมากขึ้นก็เป็นการปรุงแต่งทางวาจาด้วยเป็นการปรุงแต่งสามอย่างกายวาจาใจพูดสั้นๆง่ายๆเหลือสองอย่างคือกายกระจายคือรูปกนาม ปูชสั้นๆลงไปอีกคือเรือคําเดียวนั่นคือสังขารว่าเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขจึงมีวิญ ญ, ญาณนามรูปนี้ปูชนสั้นๆก็คือมีแค่วิญญาณเพราะวิญญาณมันก็เป็นเหตุเกิดกองต่อไปนามรูปถ้าการปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่าสังขารมันหมดเนี่ยการปรุงแต่งอะไรไม่มีเลยเพราะสังขารดับไปให้เจ้าวิญญาณนามรูป มันก็ดับไปด้วยนะเพราะความดับไปแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ตลอดไหมเป็นอย่างนี้จะเมื่อวานนี้วันนี้บุรุษนี้หรือจะเป็นอย่างนี้กับทุกคนไหมจะคนแก่คนเด็กคนชาราคนร่ํารวยคนยากจนจะเป็นอย่างนี้กับทั้งชายและหญิงเทพเทวดามนุษย์สันรกไหม ใช่เพาเป็นการปรุงแต่งเรื่องนามรูปทุกคนทุกตัวทุกสัตว์ทุกอายุเป็นอย่างนี้หมดมันจึงเป็นตตะตาไงมันจะไม่ปิด่ยนไปจากความเป็นอย่างนี้คือเป็นอวิตตะตาแล้วถ้าจะเอาบอกว่าอย่างอื่นมันจะมาเป็นอย่างนี้ได้โนมันจะไม่ไปเป็นโดยประการอื่นหรือประการอื่นจะมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่คือเป็นอนัญญตตาเป็นธรรมนยมตาเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาเป็นความตั้งอยู่อย่างนี้ เป็นความที่มันอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยคือเป็นอิทับปัจจยตาสังขารวิญญาณต่อพีตุ้มฟังท่านคิดนะพระบรุรเจ้านี่คือแบบโห้ัญญามากเลยัญญาแบบทะลุทะลวงแล้วอะไรมีสังขารจึงมีไม่หยุดนะไม่หยุดวนก็หยุดท่านไม่ได้ออกมาเบรก u g ูได้อีกว่ามีสังขารแล้วไอ้เจ้าสังขารทำไมมันต้องมีการปรุงแต่งแบบนี้ ทำใมจึงมีการปรุงแต่งแบบนี้ทำให้มีการปรุงแต่งเกิสังการเพราะอะไรมีสังการจึงมีเพราะอะไรเกิดสังการจึงเกิดเพราะอะไรมันทำไมมันถึงต้องมีการปรุงแต่งแบบนี้มันจะปรุงแต่งแบบอื่นไม่ได้หรอโอ้ยปรุงแต่งแบบอื่นก็แต่การปรุงแต่งเหมือนกันไอ้การปรุงแต่งแบบนี้หรือปรุงแต่งแบบไหนที่มันอาศัยนามรูปวิญญาเนี่ยทำไมทำไมทำไมทำไมมันมีการปรุงแต่งอย่างนี้ทำไมทำไม ไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่รู้เลยมืดหมดมืดแปดด้านดู ว, วังมืดแปดด้านไม่รู้เลยเหมือนเราอยู่ในอวกาศมันมืดไปหมดแสงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีวัตถุมีเปล่าก็ไม่รู้แสงมีเปล่าก็ไม่รู Rainbow ้แต่ไม่เห็นอะไรเลยมืดไปหมดเลยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอ ผมเป็นอย่างงี้แล้วคนเกิดมาก็เป็นอย่างงี้คนมีทุกข์ก็เป็นอย่างงี้เอ๊ะจะไมมันไม่รู้ความไม่รู้นี่มันจึงเริ่มมีความรู้ขึ้นมาทำไมในตําแบนงนั้นทำไม่นะทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทําไมมันถึงมีการปรุงแต่งอย่างงี้ใช่ไหมไม่ร uh ู้เหมือนกันนะไองที่ว่ามันทําไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันมันก็เป็นอย่างนี้จะคิดใหม่มันก็วนไปอีกก็มีการเกิดอย่างงี้ก็มีความตายอย่างงี้คนเราก็เป็นอย่างงี้ไม่รู้เลย ความที่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างงี้ได้นะเอางี้ละกันสมมติว่าเรารู้กันคือแบบผมนจนมุมมากๆเนี่ยบนใบบนมาจนทะลุแล้วก็ยังติดอยู่ข้างในเนี่ยไอเรื่องเจ้าไอที่เราไม่รู้นี่แหละเรียกมันว่าอาวิชชาซะนะเราไม่รู้เรียกว่ามันคืออวิชชาท่านจึงคิดมาตรงนี้แล้วทำไมถึงมีอวิชชา คิดต่อไปก็อวิชชาแล้วมีอวิชชามีอวิชามีเพราะมีอวิชชาจึงมีอวิชาาวชาโงงปะเหมือนความมืดจะขยับต่อไปมันก็มืดต่อไปอีกจะขยับต่อไปก็มืดต่อไปอีกเอาทำไมถึง ม, ม, ม, มีความไม่รู้ก็ฉันไม่รู้เหมือนกันเพาทำไมมันมีความไม่รู้มันจึงมาจบอยู่ที่จุดนี้ไงทุกอย่างนี้มันจึงมาจบอยู่ตรงความไม่รู้คืออวิชาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเาทำไมเป็นอย่างนี้เาะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ที่ว่าไม่รู้ได้ก็มันมีความไม่รู้มันก็จึงไม่รู้อยู่เนี่ยนะ มันจึงมาวนอยู่ตรงนี้ตั้งหวังวนตรงนี้มันเบรกปรูไม่ได้จะทะลุทะลวงไปไม่ได้จะให้ทะลุทะลวงไปได้เอาเลือกชื่อมันก่อนให้อย่างน้อยเข้าใจตัวมันก่อนในะวิทยาศาสตร์นี่นะเวลาเขาไม่เข้าใจเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเอ๊ะทาไมเป็นอย่างนี้นะเขาจะต้องกําหนดตัวแปรขึ้นมาที่จะพยายามทำความเข้าใจสิ่งนี้นี่คือหลักการวิทยาศาสตร์มากๆเลยมีการทดลองมีการกําหนดตัวแปรมีการตั้งสมมติฐาน มีการค้นหาเหตุผลค้นหาเหตุผลว่าทำไมมันไม่รู้ว่ามันเป็นการปรุงแต่งอย่างนี้เออไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันมีการปรุงแต่งนี้เอากำหนดตัวแปรมก่อนแล้วกันว่าเจ้าที่เราไม่รู้น่นคือเรียกว่า X ก็แล้วกันนะนี่คืออะไรนะท่านคืออวิชชาคือตัวไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันมีการปรุงแต่งอ่ถามต่ตอไปก่อนว่าทาไมมันถึงมีเอกอก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ x อีกเหมือนกัน้ เพราะมี x จึงมี x เพราะมีความไม่รู้ ม, มันก็จึงมีความไม่รู้นี่แหละเอาตัวแปรเดียวถ้าคิดหลายตัวแปรมันจะมึนเอาทีละตัวแปรสมมุติว่าไอ้เจ้าความไม่รู้ที่ว่าทมันถึงมีการปรุงแต่งเนี่สมมุติว่ามันเป็น x คือเป็นช่องว่างเราไม่รู้มันคืออะไรเอาใส่ช่องว่างของไบรเพราะมี x จึงมีสังคารคือการปรุงแต่งเออหลักการเดียวกันนะเนี่ย กิบาติทะลุผ่านมาได้เนี่ยเพราะมีเงื่อนไขปัจจัยอย่างนี้ใช่ล่ะเพราะอะไรมีนาการปรุงแต่งจึงมีเราบอกว่ามี x ไง x นี่คือความไม่รู้ซั่งไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรแตสมมติเรื่อมน ม, นมาว่า x ไอ้ x มคือความไม่รู้เพราะมีความไม่รู้จึงมีการปรุงแต่งแต่ท่านไตรตรองไครครนที่เรากู้ไล่ไปแต่เรากู้เรากู้นี่คิดนะ่ะไร่ขึ้นไล่ลงมันก็มาติดอยู่ตรง x นี่แหละ มันมาตีตรงความไม่รู้คื อ, อ่วิชาเพราะอะไรมีนาะเจะ้าอวิชชาจึงมีมันก็คืออวิชชาเลยคือความไม่รู้มันก็เป็น x ต่อไปก็คือ x เดิม erm เลยแหละจะเป็น x 1 x 2 x 3าจนถ xn มันก็คือ x นั่นยแหละมันคือความไม่รู้นั่นแหละมันก็คืออวิชชาเลยแหละเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเอาใหม่คิดหมายดูถ้าบอกว่าสังขารจะให้มันดับไปเนี่ยอวิชามันจะดับได้ไหมสมมุติเราเอาความไม่รู้ออกไปใช่ปะ ถ้าความไม่รู้ดับไปสังขารต้องดับนะเออใช่ไหมกว่าตะกี้นามรูปปิญญาใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้เป็นการปรุงแต่งใช่ไหมล่ะถ้าเราเกิดบอกว่าเกิดความรู้ขึ้นน่ะว่าโอเคงั้นไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ปะเออเกิดความรู้ขึ้นว่าถ้าไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ไอการปรุงแต่งก็จะดับไปหรือเปล่าะเพราะฉนั้นถ้า x มันดับไปอคือความไม่รู้ดับไปไอการปรุงแต่ง น, นั้งเนี่ยมันก็จะต้องไม่มีนะ่ะเออ มันเริ่ม b ร i ง g เบลนะเริ่มฟังดูมีเหตุผลใช่ถ้าอาวิชชาดับสังขารก็ต้องดับใช่การปรุงแต่งจะไม่มีถ้าเรามีความรู้เราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ใช่ั้ยล่ะเพราะนั้นท่านจึงกำหนดบทเรียนจะน้อ้อไอ้เจ้า X เ, เนี่ยมันคืออวิชชาคือความไม่รู้เพราะมีอวิชชาเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยจึงมีการปรงแต่ง แต่จะบอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนว่าทำไมมีการปูุงแต่งใช่ไหมมันก็คือไม่รู้นะเอางี้ละกันฉันรู้ว่าไอ้เจ้าที่ไม่รู้เนี่ยชื่อว่าอาวิชชาพอเรากําหนดชื่อมันตัวแปรได้นี่คือท่านบัญญัติขึ้นใช่ไหมบัญญัติแต่งตั้งความเปิดเผยแจกแจงให้สว่างจ้าขึ้นเหมือนคนจุดประทีปไว้ในที่มืดเหมือนคนหงายของที่มันคว่ำอยู่มันปิดอยู่ เหมือนคนบอกทางแก่คนหลงทางว่าให้นี่แหละมันคือตัวไม่รู้เรียกว่าอาวิชชาถ้าไอตัวไม่รู้นี่ดับไปการปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยดับไปแน่นอนเพราะอาวิชชาดับไปสังขารจึงดับไปได้เพราะอาวิชามีอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่สังขารการปรุงแต่งนี้มันจึงเป็นอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้มา คำถามต่อไปคือคิดทบทวนไตรตรองไกรกลัวแล้วซ้ำไปซ้ามาสับจนยับอะ่ะถ้าพูดก็คือยิ่งกว่าหมูบะช่อสับแล้วสับอีกสําอีกสับแล้วมันใช่ไหมไตรตรองไกรกครวคิดไปคิดมาด้านหน้าด้านหลังเมื่อวานนี้วันนี้และพรุ่งนี้ก็คิดด้วยเออใช่มันอวิชาสังขารสังขารอาศัยอวิชา สังขารมีอยู่ก็เพราะว่าอวิชามีไอความที่ว่าตอนแรกเราบอกว่าไม่รู้เนี่ยนะมันพูดง่ายคือไม่มีความรับผิดชอบแต่พอเราว่าเออมันมีความไม่รู้นั่นคือเริ่มสังเกตสติเนี่ยเข้ามามีกําลังมากขึ้นมากขึ้นสตินีมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นนะ่ะจนเห็นไอเจ้าตัวไม่รู้นะที่ตาล่าบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเนะ่ะไม่รู้เหมือนกันคือสังเกตไม่เห็นใช่ไหมละ่ะ แต่พอเริ่มรู้ว่าเอามันมีตัวไม่รู้นะนี่นะนั่นแหะสติมีกําลังขึ้นมานะเพราะว่าการที่พระพุทธเจ้าทำเป็นพุทธชนสังเกตดูสังเกตดูจี้จ่อเขาไปดูจี้จ่อไปดูมันยังไงนั่นยังไงแต่มันมีตัวไม่รู้มันไม่รู้มันคือไม่รู้อะไรในสังเกตดูสังเกตดูสติมีกําลังขึ้นมากำลังขึ้นกําลังขึ้นสติมีกําลังเนี่ยปัญญามันก็เกิดถ้าไม่เห็นว่าเฮ้ยมันมีตัวไม่รู้นะนี่นะการรู้ว่ามีตัวไม่รู้เนี่ยนะมันดีกว่าไม่รู้ว่ามัน ไม่รู้อะไรนะเพราะฉะนั้นความไม่รู้มันจึมีหลายระดับท่านผู้ฟังไอ้เจ้าตัววิชานี่ในอปอร์เซอร์หน้านะเราจะมาอธิบายถึงว่าเฮ hey, จิตตังเ้เจ้า ต, ตัวไม่รู้เนี่ยดับไปใช่ปะก็สปอยไว้ก่อนเลยว่ามันก็คือตัวความรู้น่ะวิชามันต้องเกิดให้เจ้าวิชามันึ่งจะดับไปวันนี้นะตอนท้ายรายการนี้เรามาทําความเข้าใจกันว่าไอ้เจ้าตัวอวิชชาเนี่ยนะที่ว่าไม่รู้ไม่รู้เนี่ยมันมีความไม่รู้อยู่สองระดับ คือไม่รู้แบบไม่มีสติหรือไม่รู้แบบมีสติต่างกันยังไงก็บริชัดจี้จ่อเข้าไปจี้จ่จอเข้าไปใช่ปะ่ะด้วยสติตั้งมั่นไว้มันอะไรมันอะไ ร, มะ ไ, รไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนี่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนี่แหละคือเจ้าตัวอภิชาใช่ป่ะล่ะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนี่ความไม่รู้เนี่ยโหแบบมืดมากจริงจริงใช่ป่ะคร่ำงำมาก แต่พอเราถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรความรู้เนี่ยมันเกิดจากสติขึ้นมาล่ะคุณเริ่มมีสติขึ้นมาแล้วว่าอ๋อฉันไม่รู้สิ่งนี้ฉันไม่รู้สิ่งนี้นนก็คือรู้ปะนั่นไงยกตัวอย่างเช่นนะสมมตว่าเอาง่ายๆมีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งทางซีกโลกเหนืออยู่ในทวีปยุโรปประเทศนี้ชื่อว่าคูราโซ เออไปได้กูกรัสโซไม่ีเคยได้ยินเลยก็ตั้งบุฟังไม่รู้ใช่ไหมมันมีประเทศนี้อยู่ก็จนกระทั่งข้าพเจ้าได้บอกขึ้นนี่แหละข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตโอ้เราก็ไม่รู้ว่าประเทศนี้มันเคยมีอยู่นี่นนความไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรคือไม่รู้ว่ามันมีประเทศนี้ด้วยเนี่ยนึกเกิด ว, วิชาระดับที่หนึ่งคือเป็นวิชามากๆเลยโดยไม่มีสติด้วยแต่พรารบว่าอ๋อมีประเทศนี้แล้วหรอ เออแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของแผนที่หรือในประเทศนี้เขาทำมาหากินอะไรกันเขาพูดภาษาอะไรมีเขตแดนอยู่ติดกับประเทศอะไรอันนี้เรายังไม่รู้ความไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยนะความรู้ที่ว่าเราไม่รู้อะไรเออนี่จึงเป็นลักษณะ น, นี้พอบอกว่ามีประเทศกูราโซตบูฟังลองไปเสาะหาดูพอรู้ว่าเราไม่รู้ว่ามันมีประเทศนี้ใช่ปะ ความไม่รู้แบบที่สองเนี่คือความไม่รู้ชนิดที่มีสติเข้ามามีสติเข้ามาประกอบกับความไม่รู้จึงเริ่มรู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรพอเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรอะไรนั่นคืออะไรอะไรนั่นะคือความไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันมีอวิชชาพอเรารู้ว่าอ๋อมันมีอวิชชาแบมเลยทุกฝั่งปัญญาเกิดทันที ถ้าดูฟังไม่เข้าใจนะเรามาต่อกันต่อหน้าในเอพิโซดหน้าดูฟังพระพุทเจ้าจะเจาะลึกลงไปว่าต้องรู้อะไรหนะ้ามันถึงจะรู้ว่ามันมีอวิชชาต้องรู้อะไรหนะ้ามันถึงจะทําให้อวิชชาดับไปง่ายง่ก่อนตอนนี้คือว่าเรามีสติใช่ไหมพอเรามีสติแล้วเราจึงรู้ว่าเราไม่รู้อะไรพอพระพเจ้ า, าเองตอนเป็นบริษัทตั้งสติขึ้นสังเกตดูจึงค่อยรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเรียกว่า อาวิชาความรู้เนี่ยมันดีกว่าความไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนั่นเองในช่วงใต้ร่มบริบท น, นั้นจะมาพบกับตะบวงเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี5้ถึง6โมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้จดโดยมูลนิธิปัญญาปาวนากับพระมหาไพบูรณ พี่ปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ของมูลธิปัญญา o .org .p a n y a o r g แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เริญพอ